ยังไงก็เป็นผู้โสมนัสอยู่ทุกเมื่ออยู่แล้วแต่โสมนัสกับกรุณหรือเมตานั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะพระองค์นี้เป็นผู้มีพยานอันไม่ขัดข้องทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอารมณ์ทั้งมวลล้วนมาสู่คลองพยานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเมื่ออารมณ์ทั้งหลายมาสู่คลองแห่งพยานทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจะอยู่ในที่ใดก็าตามพระองค์มนัสิ ก, กานก็จะรู้ทั้งหมด เหนสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พิจารณาสิ่งที่พระองค์ไม่รู้สิ่งที่พระองค์ไม่เห็นสิ่งที่พระองค์ไม่ทําให้แจ่มแจ้งไม่มีพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้รอดพ้นจากข่ายพยานของพระองค์อะไรหมายคือว่าพยานของพระองค์เนี่ยมองเห็นเราทั้งหลายก็เห็นว่าโอ้ยนู่นรุ่นนี้สองพันกว่าปีไปแล้วบบนั้นพระองค์ก็ทําใจได้อยู่แล้วเพราะพระองค์สุขโตนะพระองค์ไปดีแล้ว นี่เราทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมเป็นกิจด้วยเป็นกรรมด้วยคือเป็นกิจที่ผู้ที่ปฏิบัติรำเพื่อความพ้นทุกข์ต้องทําถ้าหากว่าปรารถนาความพ้นทุกข์จริงก็ต้องทําแล้วก็เป็นกรรมใช่ไหมทําด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมก็เลยเรียกว่าร่วมกิจกรรมกันเรามาร่วมทํากิจของผู้ที่สมัครเป็นสาวกทั้งหลายถ้าใช้คําว่าพระสาวกคํานี้เขาใช้กับพระเรียเจ้า ของเราก็กำลังสมัครเป็นสาวกซึ่งจะสอบผ่านหรือไม่ก็ดูที่ขยันการบ้านแค่ไหนหนี่เจมวยคิดว่าผ่านเนาะถ้าผ่านก็อนุมโมทนาด้วยนะเพราะจะได้เนื้อนาบุญเพิ่มอีกคนหนึ่งนะในบรรดากุศลทั้งหลายที่เรามาร่วมบำเพ็ญทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเราได้ทาการบูชาทั้งสองประการด้วยกันอามิสบูชานั้น บางท่านก็มีดอกไม้มีของหอมดอกไม้ก็วิจิตต่างๆกันบางคนก็มีบัวตูมบางท่านก็มีบัวบานบัวตูมก็เกือบจะบานใช่ไหมบัวบานก็แสดงว่าถึงที่สุดก็เหลือแต่บัวโรยก็พยายามสรรหาเครื่องสักการะต่างๆมาบูชาบูชาด้วยปฏิบัติก็คือด้วยการรักษาศีลขณะเดียวกันเราก็บูชาด้วยการภาวนาด้วยด้วยการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเราก็สรรเสริญพระคุณของพระองค์โดยประการต่างๆว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีคุณเช่นนี้เช่นนี้แต่อย่างไรก็ดีก็ไม่มีใครสามารถสาธยายคุณของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเหมือนอย่างว่านกตัวน้อยๆที่มันบินขึ้นไปในอากาศถามว่ามันไปทั่วถึงในอากาศทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ฉันใดสติปัญญาของเราทั้งหลายที่ชื่นชมพระพุทธาน ชื่นชมพระมหากรุณาคุณชื่นชมพระบริสุทธิ์ที่คุณหรือชื่นชมพระคุณต่างๆของพระองค์เราชื่นชมได้แต่บางส่วนคือชมได้แต่ส่วนน้อยส่วนไหนบ้างที่เราชมส่วนที่เราชมนั้นก็เท่ากับนกน้อยที่บินในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่จึงไม่มีใครชื่นชมคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมดได้สิน้นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าปัญญาของเรานี่น้อย เหมือนอย่างว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะักแต่คลองแห่งจักสูขของเรานิดนิดเดียวใช่ไหมเราเห็นภาพวิสัยทัศน์เรามีอยู่เท่านี้เองใกล้ใกล้วิสัยทัศน์หรือทัศนวิสัยเนี่ยนะที่เห็นได้มันมีอยู่แคบแคบแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์นี้ดุจอะไรดวงราวีใช่ไหมถ้ากลางคืนก็เหมือนดวงจันทร์กลางวันก็เหมือนดวงอาทิตย์พระองค์นั้นมีสติปัญญากว้างขวางอย่างเราสรรเสริญว่าพราะองค์นี้เป็นผู้มีปัญญากว้างใหญ่ไพศาลประดุจ แผ่นดินก็ชมพระองค์นี้บางทีก็กว้างใหญ่ไพศาลประดุดอากาศหรือพระองค์นี้มีกระณาดุดห่วงมหนันนกคือเหมือนห่วงน้าพระองค์นี้เป็นผู้ที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเปรียบก็ได้ทั้งนั้นจะโยกอะไรมาเปรียบก็ได้แต่สิ่งที่เอามาเปรียบยังไงก็ก็เหมือนกับเครื่องเปรียบเหมือนอย่างว่าทองนี่มันเป็นยังไงก็บอกเคยเห็นเครื่องทองเหลืองไหมมันคล้ายๆกัน เครื่องทองเหลืองก็ไม่ใช่ทองแท้ฉันใดในการเปรียบเทียบอุปมาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพราะไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะยั่งถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้ที่ยั่งรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นก็จะเป็นใครก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเหมือน <memes S 2> อย่างว่าปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะมองเห็นทะเลเนี่ยก็จะเห็นแต่ความกว้างใหญ่ไพศาลของทะเล ถ้าปุตตชนที่อยู่ในบกมองเห็นทะเลเนี่ยนะถ้าดูข้างนอกเฉยๆจะไม่สามารถยังถึงว่าทะเลทั้งหลายเนี่ยมันลึกแค่ไหนไม่สามารถตรวจความลึกของทะเลได้ด้วยสายตาใช่ไหมด้วยสายตาธรรมดาเนี่ยดูความลึกของทะเลได้ไหมไม่ได้ก็มีบางท่านเนี่ยมีไม้ไผ่มาวาหนึง่งก็เลยเอาไม้ไผ่วาหนึง่งจุ่มเข้าไปในทะเลก็รู้เออทะเลลึกวาหนึง่งอีกคนหนึ่งก็มีไม้ไผ่ยาวมาเป็นสิบวาแล้วก็ย่างลงไปอีก ทะเลก็ยังเออมีลึกเป็นสิบสิบวานเนี่ยมีบางท่านมีเป็นร้อยวาเนี่ยก็เอามาร้อยวาเนี่ยมาวัดลงไปอีกเอาก็ยังไม่ถึงอีกบางท่านก็มีเป็นแปดหมื่นสี่พันโยธมาเป็นเครื่องวัดวัดยังไงก็วัดไม่ถึงไม่ถึงก้นบึ้งของทะเลเพราะทะเลนี่กว้างขวางลุ่มลึกไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่ทะเลบ้านเรานะคนละทะเลกันอันนี้ทะเลหลวงทะเลของ ทะเลในมหาสมุทรสีทันดรเป็นต้นเน่ยนะสมุทรตรงอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแต่ว่ามีอยู่แต่ว่าทะเลอันนั้นก็ไม่น่าหนักใจเท่ากับทะเลสังสารวัตรหรอกทะเลสังสารวัตรใครละลึกได้เป็นวันหนึ่งละลึกได้แสนกับมีอายุอือร้อยปีก็ละลึกไม่หมดวันละแสนกับไม่ต้องทําอะไรหรอกละลึกชาติอย่างเดียวละลึกอยู่เป็นร้อยปีก็ละลึกไม่หมดมันสังสาระคือทะเลแห่งวัตะเนี่ยลึกขนาดนั้น อดีตไม่มีที่สิ้นสุดอนาคตต่อไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างกรรมที่เราทำกันวันนี้มันให้ผลได้เป็นแสนกับถ้าจะอยู่สวยผลบุตรอยู่ได้เป็นแสนกลับแต่เผลอย่าทำบาปก็แล้วกันเพราะบาปมันก็บรรทอนุญเหมือนกันผู้ที่จะมีปัญญาอย่างถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริงเหมือนกับว่า สิ่งที่จะเอาไปวัดเนี่ยกับสิ่งที่ถูกวัดถ้าจะให้รู้ว่าเท่าไหร่สิ่งที่วัดก็จะต้องเสมอกับสิ่งที่ถูกวัดสมมติถ้าเราจะวัดความลึกของน้ําเราก็ต้องเอาสิ่งที่มันลึกเท่ากับน้ำนั่นแหละมาเป็นเครื่องวัดผู้ที่จะรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็ต้องมีสติมีปัญญาเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโมปุตุชนทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างว่ามองเห็นแค่ทะเล พระโสดาบันทั้งหลายก็เหมือนมีไม้ไผ่ยาววาหนึ่งอย่างจุ่มลงไปพระสากท า, าคามีก็มีปยาวเป็นสิบวาเนี่ยจุ่มลงไปในทะเลพระอนาคามีก็จุ่มลงไปอีกเป็นพันวาพระอารหันต์ทั่วไปปกติก็เหมือนกับเป็นหมื่นวาหรือเป็นแสนวาถึงขนาดนั้นพระอารหันต์เหล่านั้นก็ไม่ได้มีปัญญาเท่ากับพระมหาสาวกเช่นพระมหากัจจยนะเป็นต้นพระมหากัจจยนะยังลงลึกไปกว่านั้น ถึงท่านเหล่านั้นจะมีปัญญาขนาดนั้นก็ไม่รู้คุณเท่ากับพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะรู้คุณกว่าพระสาวกทั่วไปถึงพระมโมคลานะเนี่ยนะเป็นสิบก็ยังสู้พระสาริบุตรไม่ได้พระสาริบุตรมีปัญญากว้างขวางอย่างรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาริบุตรนี่เป็นผู้ที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าในบรรดาสาวกที่สุด ท่านในพระไตรปิฎกเนี่ยคนที่ชมพระพุทธเจ้ามากที่สุดคือพระสารีบุตรคือต้องมีปัญญาใกล้เคียงกันหน่อยจริงจะชมกันได้ใช่ไหมเอาตาบอดไปชมรูปหลอ่อมันก็ประโยชน์ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะเอาตาเอียงตาเขตาเหล่เป็นต้นไปชมคนสวยนี่ก็แย่เลยนะประดุกเขาหน้าเบี้ยวไปหมดเลยเสียหายมากอันนี้ก็เหมือนกันพระสารีบุตรนี้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญากว้างขวางพระสารีบุตรนี้เป็นผู้ที่บรรลุเป็นท่าหันที่เมืองไหน เมืองราชครึกนี่แหละท่านนี้เป็นชาวเมืองนาลันทาชาวเมืองนารันทาก็จริงเป็นคนอยู่แคว้นมคตเพราะว่าแคว้นนี้เขาเรียกว่าแคว้นมคตมคตรัฐท่านก็พอวัยหน่มท่านก็ออกบวชแสวงหาโมฆะธรรมเพราะท่านเห็นว่าชีวิตของสัตว์ที่อยู่เนี่ยไม่เกินร้อยปีก็จะตายหมดท่านก็เลยออกบวชแสวงหาโมฆะธรรมเที่ยวสอบถามอาจารย์อยู่เก้าสิบห้าอาจารย์ เที่ยวสแสวงหาอมตะบทเฉพาะชาตินี้นะหาเก้าสิบห้าจา์แต่ว่าอาดีตชาติถอยหลังไปนะบวชติดกันห้าร้อยชาติท่านเลยบอกว่าท่านเที่ยวสแสวงหาอมตะบทล่วงเลยไปหลายหมื่นกลับก็ยังไม่พบเพิ่งมาพบอมตะบทต่อเมื่อได้ฟังทราอัศจริสดางทำท่านก็เป็นผู้ที่ฝักใฝ่สแสวงหาอาสังขตะธรรมธรรมที่ท้นทุกข์โศกคือสแสวงหาอะไร สแสวงหาขยันวิราคังอมตตังปณีตังนั่นแหละขยังก็คือทําเป็นที่สิ้นกิเลสทั้งปวงวิราคังก็ทําเป็นที่คลายกําหนัดอมตังก็เป็นธรรมที่ไม่ตายปณีตังก็เป็นธรรมที่ประณีดละเอียดสงบประงับท่านก็เที่ยวสแสวงหาว่าธรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเนาไปเที่ยวถามใครก็มมีใครตอบได้ก็ต้องไปคอยตอบปัญหาให้คนอื่นแทนเพราะว่าท่านเป็นผู้เก่งมาก ภาษาริบุตรนี้มีปัญญาว่าทางโน้นพูดจบทางนี้ก็เข้าใจเท่ากันเข้าใจกับคนพูดสติปัญญาท่านขนาดนั้นวันนี้เราก็จะได้ศึกษาคุณของภาษาริบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกฝ่ายข้างขวาผู้มีปัญญาเลิศที่สุดในพระาศาสนานี้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ท่านมีปัญญาไม่เท่าเนี่ยนะส่วนบุคคลที่เหลือนี่ท่านมีปัญญาเกินทั้งหมด พระษาริบุตรนี้เป็นผู้ที่ยังจักให้เป็นไตดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทําได้เหมือนนะแต่ไม่ใช่แปลว่าทําได้เท่าคือทําได้เหมือนทําได้คล้ายเช่นว่าโอ้เอาอะไรมาสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เลย ม, มีอะไรสว่างกับดวงอาทิตย์นะ่ะก็คือแปลว่ามากต่อแล้วกันภาษาริบุตรนั้นถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเพราะฟังธรรมจากใครพระอัสสชีบวชอยู่กี่วันจึงได้บรรลุ สิบห้าวันบรรลุที่ไหนถ้าสุกระขาตาที่เขาคิดจกุฎถ้าสุกระขาตานี้ตามตําราท่านบอกว่าต้องลงลึกเข้าไปทีนี้พอบอกว่าลงลึกไปเอชงนอนหน้าผาตรงนั้นนี่ไม่น่าใช่พออันนี้เขาไว้แหกตานักท่องเที่ยวนะเอานักท่องเที่ยวจะได้เดินรวดเดียวได้ไหายทุกจุดไปหมดเลยอะไรมันจะวิจิตรขนาดนั้นจริงมันไม่ใช่เรากขามาเชื่อเลยว่าไว้แหกนักท่องเที่ยวเฉยๆก็จะได้ไหว้ที่ไหนก็ได้จะได้ลึกถึง คิดดูว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่ได้รูปร่างเล็กพรองจะไปนั่งตรงไหนแล้วก็ที่นั่งมันก็ไปในหน้านั่งด้วยตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมควรจะเป็นอย่างนั้นหรอกจริงๆแล้วถ้าต้องลงลึกเข้าไปข้างล่างที่หมูมาขุดขึ้นแล้วก็นายพรานก็มาตกแต่งทําเป็นกุฏิถวายพระพุทธเจ้าประทับซึ่งถ้าอันนั้นแหละที่ภาษารีบุตรฟังธทำแล้วก็บรรลุพวกนี้เราก็จะดูชะง่อนผาแล้วก็จะไปคิดว่าตรงนี้คือที่ภาษารีบุัดนั่งบรรลุ ซึ่งอาตมาไม่เชื่อเพราะว่ามันขัดกับตำรามากแต่ทีนี้ก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ถือที่ท่องเที่ยวนะอย่าไปคิดอะไรมากพระสารีบดินี้บรรลุวันไหนบอกว่าวันมาฆบูชาบรรลุวันมาฆบูชาพอท่านบรรลุเสร็จก็มีการแสดงแสดงโอวาทปฏติโมกหรือจัตุรงค่าสนิบาศการประชุมกันโดยประกอบด้วยองศีจัตุระแปลว่าศีใช่ไหมอังคะแปลว่าอง สันนิบาแตแปลว่าประชุมการประชุมที่ประกอบพร้อมไปด้วยองค์สี่ก็คือในวันมาฆะเริกแถวแถ ว, แถวกุมภามีนาแถวนน่นแต่นี้ของเราก็มาช่วงตายหรือช่วงต้นเราทั้งหลายเนี่ยมาปลายฝนต้นหนาววันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาบ้านเราเมื่อวานนี้เป็นวันตักบาทเทโอโรหณนะวันนี้จึงเป็นวันออกพรรษามาดูว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านทาบุญอะไรมาหนอ ท่านจึงเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามากมายขนาดนั้นซึ่งเราทั้งหลายเชื่อไหมว่าเราได้เจริญกุศลเลหลายอย่างตามรอยพระสัตรีบทโยในห้องเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะมีพระสัตรีบทเป็นขวัญใจอยู่หลายท่านคุณการตามเมื่อกี้ในฟังแล้วบอกแหมรักภาษาสัตรีบทมากคุณอุไรก็ใช่เบาที่ไหนเนี่ยนะก็บอกหโยเลื่อมใสในภาษาสัตรีบทมากคุณหลานบอกไว้เห็นคุณภาษาสัตรีบทมากขึ้นมีผู้ใดเห็นคุณของภาษาสัตรีบท ศรัทธาภาษาบุตรักภาษาบุตรแสดงว่ากลุ่มนี้ปัญญาทิกะกลุ่มฝักใฝ่เรื่องปัญญามากเลยนะนี่ก็มาดูนะว่าเราจะได้สรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าวันต่อๆไปอย่างผาสุกเพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วภาษาบุตรที่ท่านมีปัญญามากเนื่องจากท่านสั่งสมการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเอาไว้ผลของการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละทําให้ท่านเป็นผู้มี ปัญญามากท่านของมาก็อยากจะมีปัญญากับเขาเหมือนกันเนี่ยนะโง่มานานแล้วก็เลยพยายามไปที่ไหนหจะได้ชมพระพุทธเจ้าให้เยอะๆเนี่ยนะเผื่อจะฉลาดกับเขามั่งพูดถึงพระษาริบุตรในอดีตชาติเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าท่านได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอโนมาทศีเมื่อหนึ่งอาสงไข่แสนกลับที่แล้วผู้ที่จะเป็นพระอัคารส า, าวกเนี่ยจะต้องอย่างต่ำนิดหนึ่งอาสงไข่แสนกับเลยกว่านั้นได้ แต่ว่าไม่ถึงสองอสงไขยถ้าตัเจกนี้จะต้องสองอสงไขยเศษอย่างน้อยแสนกับเกินกว่านั้นได้แต่ไม่ถึงสามอาสงไขยก็อยู่ระหว่างเนี้ยซึ่งใช้เวลาบ่มกันนานมากจะเห็นว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบ่มกันมากจริงๆอย่าคิดนะว่าจากักขุนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นของง่ายอย่าคิดว่าโสตุนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นของง่าย ขานนิโรธคามินีปฏิปทาชิวหานิโรธคามินีปฏิปทากายนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมโนนิโรธคามินีปฏิปทาที่รวบแบบสรุปว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเป็นสิ่งที่เจริญง่ายบ่มง่ายไม่ใช่เลยผู้ที่จะมีปัญญาดูดภาษารีบุตรนี้ก็สั่งสมมาหนึ่งอสศงไขแสนกับสมัยพระพุทธเจ้าท่านนามว่าอนุมัตสี ในสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นบุตรของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มากพ่อแม่มีทรัพย์มรดกเยอะมากในที่สุดท่านก็ไม่เห็นสาระของการมีพวกทรัพย์ก็เลยสละข้าของทั้งหมดออกบวชบวชอยู่ไม่นานท่านก็ได้อภิน ญ, ญาห้าสมาบัติแปดเพราะท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะเมื่อสมัยนั้นนะท่านก็มีลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยหลายหมืน่นไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นที่เป็นลูกศิษย์ท่านลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเหาะได้ทุกคน มีวันหนึ่งคือพระสารีบุตรในอดีตชาติเนี่ยท่านก็เป็นหัวหน้าสำนักใช่ไหมลูกศิษย์ของท่านก็ไปเที่ยวแสวงหาผลไม้ท่านก็อยู่ที่สำนักสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอโนมาทศีนี้เกิดขึ้นในโลกเพระเนื้อหาส่วนตรงนี้ก็ลัดมาที่กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพะนามว่าอโนมาทศีเป็นผู้ประเสริฐในโลกเป็นนระผู้องอาจทรงไขวิเวก เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปยังป่าหิมะวันก็คือหิมะวันก็ป่าที่มีหิมะ น, นะพระพุทธเจ้านี้จริงๆแล้วพระองค์ก็ประสงค์วิเวกไม่ใช่ว่าพระองค์เนี่ยประสงค์คลุกคลียินดีในการคลุกคลีไม่ใช่แต่การวิเวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เพื่อสงเคราะห์สัตว์นั่นแหละพระองค์ผู้เลิศเป็นมุนีประกอบด้วยกรุณาเป็นอุดมบุรุษเสด็จเข้าป่าหิมะวันแล้วนั่งคูบลัง เราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีรัศมีสว่างจ้าหน้ารื่นรมใจดังดอกบัวเขียวเห็นดอกบัวเขียวแล้วรื่นรมใจเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รื่นรมใจฉันนั้นพระองค์นั้นทรงรุ่งเรืองควรบูชาเหมือนกองไฟพระองค์นี้รุ่งเรืองเพราะว่าไฟเนี่ยถ้าจุดกลางคืนมันจะมีรัศมีออกจากตัวใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีรัศมีสร้างออกจากพระวรกายฉันนั้น ถ้าใครไปดูหลวงพ่อเมตตาที่พุ่งนี้นะพุทธคยาเนี่ยตอนเย็นๆถ้าจากักขูวิญญาณธรร ม, มาดีเนี่ยนะก็อาจจะได้เห็นว่ามีรัศมีอยู่ข้างหลังใช่ไหยเป็นวิ่งเป็นช่อเป็นช่ อ, เ ป, ชอเป็นช่อออกจากพระวรกายจากพระสรีระรูปถ้าหากว่าได้เห็นองค์จริงที่มีรัศมีสั้นออกจากพระวรกายเลยเนี่ยจากยังจิตให้โสมนัตยินดีขนาดไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าอาชาสัตรูเข้าไปเฝ้าออพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งอมตะพร้อมทั้งบริวารเยอะไปหมดเลยนะไปเป็นกองทัพพระพิสุสงอยู่ตรงนั้นพันกว่ารูปไม่มีใครหันไปดูพระเจ้ า, าชาติศัตรูแม้แต่คนเดียวเพราะเขาดูพระพุทธเจ้าแทดดูพระพุทธเจ้าดูไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อมีความสุขคือไม่มีความงามอะไรที่จะงามเท่านี้อีกแล้วเพราะว่าบุญที่สังสมมาสีาสงไขแสนกับเนี่ยมาแต่งพระวรกายของพระองค์ทั้งหมดให้งดงาม พระ อ, องค์ก็รุ่งเรืองดังกองไฟเราได้เห็นพระนายกของโลกคือผู้นำโลกทรงรุ่งโรจน์ดุดดวงไฟเหมือนสายฟ้าในอากาศเช่นกับพยารังมีดอกบานสะพรั่งก็คือต้นรังเนี่ยนะที่ดอกเต็มต้นแดอกตั้งแต่โคนไปจนถึงเต็มลำต้นไปหมดโชยกลิ่นหอมจะน่าดูปานใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเพราะอาศัยการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐเป็นพระมหาวีระคือผู้กล้า ทรงธรรมที่สุดทุกขเป็นมุนีนี้ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้ายังจิตให้เลื่อมใสเขาคนนั้นพ้นทุกแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหรอีกเรื่องนึงแต่ว่าขอให้ยังจิตให้เลื่อมใสในผู้ที่ถึงความพ้นทุกเขาย่อมถึงความพ้นทุกขป็นแน่ครั้นเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงยิ่งกว่าเทวดาได้ตรวจดูพลักษณะว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ เขาดูได so, so, ้นะสมัยโบราณจริงๆแล้วเขาเรียนคัมภีร์มหาปริศลักษณะมาว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะประจำตัวเท่านี้แค่นี้บุคคลนี้จะเป็นเช่นนี้เช่นนี้เรียกว่าดูรูปร่างปรับพยากรณ์ได้เลยว่าคนนี้เนี่ยอนาคตทั้งชาตินี้จะได้แค่ไหนเพราะดูจากรูปลักษ์เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นผลของกรรมส่วนที่เป็นผลของกรรมเนี่ยลักษณะกิริยาท่าทางทั้งหมดมันบอกถึงกรรมที่ทํำไวในอดีตด้วย จริงๆนะถ้าผู้ที่มีปัญญาเขาเรียนวิชาพวกตำรามหาปริศลักษณะมีคาถาเป็นหมื่นคาถาเนี่ยเขาไล่คาถาปั๊บเขามองเห็นได้เลยว่าคนนี้เนี่ยประกอบอาชีพควรจะได้ฐานนะา ะ, ะเท่าไหร่เจริญรุ่งเรืองแค่ไหนจะล่มจมหรือจะได้ดีตกยากในชีวิตในชาตินี้เขาจะมองออกเลยถามว่าก็ดูจากอะไรดูจากร่างกายทั่วๆไปเขาก็พยากรณ์ตามตำราแต่ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะลืกรู้ถึงกรรมทั้งหมด อย่างฤาษีอดีตชาติภาษารรบุตรนี่ก็เหมือนกันทรงจําตํารา ม, มหาปริศลักษณะก็ตรวจดูลักษณะว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่มิฉะนั้นเราจะตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักรสุห้าประการเราได้เห็นจักมีกรรมพันหนึ่งที่เพิ่นพระบาทครั้นได้เห็นพระลักษณะของพระองค์แล้วจึงถึงความตกลงในพระตถาคตว่าใช่เลยพระพุทธเจ้าแน่เลย เพราะว่าจากรอยจากรอยพระบาทเนี่ยมีซี่กรรมอยู่พันซี่แล้วก็มีมงคลในฝ่าพระบาทเนี่ยมีมงคลอะไรอยู่ฝ่าพระบาทเต็มไปหมดเลยนะถ้าดูจากพื้นพระบาทรู้เลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเราก็เวลามาในในสถานที่ทุกวันที่เรามากันเนี่ยนะก็ให้มันระลึกเถอะว่าทุกพื้นที่แม้กระทั่งในเมืองราชครกเนี่ยพระองค์เคยประทับพระบาทเอาไว้แล้วแต่ว่า รอยพระบาทเหล่านั้นไม่ปรากฏเพราะว่ารอยพระบาทของพระองค์นั้นเป็นพระเจดีย์อย่างสถานที่ที่เราไปกันวันนี้เนี่ยนะหรือจะไปกันในวันต่อๆไปให้ตั้งจิตอยู่ด้วยความเคารพเถิดว่าสถานที่เหล่านั้นแผ่นดินเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยประทับพระบาทแล้วเพราะฉะนั้นให้เราตั้งอยู่ในคาระวะตั้งอยู่ในความเคารพหมันระลึกด้วยกุศลจิตเพราะว่าเราก็มาทําพุทธบูชากันใช่ไหม บาบูชานี่ไม่ต้องหรอกทำที่บ้านมาเยอะแล้วทำแต่ส่วนที่เป็นบุญจะได้ละลึกถึงด้วยปีติและปราโม้ครั้งนั้นเราได้จับไม้กวาดที่นั่นแล้วก็ได้นำเอาดอกไม้แปดดอกมาบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดท่านมีดอกไม้แค่แปดดอกเองครั้นบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะไม่มีอาสวะนั่นแล้วทำหนังเสือดาวเฉวียงบาข้างหนึ่งนมัสการพระนายกของโลก สัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะทรงอยู่ด้วยพระยานใดเราจากประกาศพระยานนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำเรากล่าวจะชมว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญายัางไงพระสยมภูผู้มีความเจริญมากที่สุดทรงถอนสัตว์โลกนี้แล้วสัตว์เหล่านั้นอาศัยการได้เห็นพระองค์ย่อมข้ามกระแสน้ำคือความสงสัยได้ถ้าเห็นพระพุทธเจ้านี่เลิกสงสยัยเลย พระองค์เป็นาศาสดาเป็นยอดเป็นธงชัยเป็นหลักเป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งเป็นประทีปสองทางเป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์ทั้งหลายน้ำในสมุทรอาจประมาณด้วยมาตราตวงแต่ใครๆไม่อาจประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยน้ำทะเลเนี่ยคานวณได้สมัยใหม่ก็คำนวณ น, น้าทะเลได้อยู่แล้วว่ามันกีตารางลูกบาศกิโลเมตรเขาก็คานวณได้อยู่แล้วในทุกวัน อย่างแผ่นดินโลกทั้งโลกเนี่ยคำนวณว่าเส้นสูตรเส้นพาศูนย์กลางควรจะเท่าไหร่ทุกวันก็คํานวณได้หมดแล้วแต่บุคคลเหล่านั้นก็ยังไม่มีใครคํานวณปัญญาของพระพุทธเจ้าได้เลยว่าพระองค์มีปัญญาเท่าไหร่เอาดินมาช่างดูแล้วอาจประมาณแผ่นดินได้แต่ใครๆไม่อาจประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยพระสัพพัญยุตยานนี้ไม่ใช่สิ่งธรรมดานะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแผ่นดินอีก จริงๆอาจวัดอากาศด้วยเชือกหรือนิ้วมือแต่ใครๆไม่อาจประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยอากาศเนี่ยนะที่เรียก็ยิ่งใหญ่นยังพอวัดได้แต่ว่าพระยานของพระองค์ไม่มีใครวัดได้เพิ่งประมาณลำน้ําในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถือเอาพระพุทธญาณมาเป็นประมาณนั้นไม่ควรพวกถือประมาณในเรื่องน้ําเรื่องดินเนี่ยนะเป็นไปได้ว่าแผ่นดินมันใหญ่เท่านั้นเท่านี้ น้ำเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้นเท่านี้นั่งเครื่องบินเท่านี้กี่ชั่วโมงแล้วจะข้ามน้ําข้ามทะเลเหล่านี้ได้แต่พระยานของพระองค์นี้ไม่ใช่ฐานะข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุจิตของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมเป็นไปสัตว์นี้เข้าไปภายในข่ายคือพระยานของพระองค์โสัตว์วัสดสัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่ในมวลสัพพสัตว์ ในอนันตจั ก, กรวาลเนี่ยอยู่ในข่ายพระยานของพระองค์ทั้งหมดพระองค์นี้ทรงบรรลุโพธิยานอันอุดมสิ้นเชิงด้วยพระยานใดพระสัพพัญยุตยานก็ทรงย่ำยีอัญญะเดรธีด้วยพระยานนั้นปราสรุก็ย่ำยีหมายความว่าครอบงำอัญญะเดรธีอัญาเดรธีคือใครคือผู้ที่ประกอบด้วยทิฏฐิหกสิบสอง ผู้ใดที่ประกอบด้วยทิฏฐิหกสบสองเบื้องหลังมีส ก, กายยะทิฏฐินี้พระองค์ครอบนำบุคคลเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นไปกับทิฏฐิหกสิบสองบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเรียกว่าอัญยะเดรธีคือผู้มีลัทธิเป็นอื่นจากพระพุทธศาสนาท่านสุรุจิดาวบทกล่าวชมเชยพยายามด้วยคาถาเหล่านี้แล้วก็ปูลาดหนังเสือบนแผ่นดินแล้วนั่งอยู่ ท่านกล่าวไว้ในบัตรนี้ว่าคุ้นเขาสูงสุดยั่งลงในห่วงน้ำมหนันยนกแปดหมื่นสี่พันยคุ้นเขาสิเนรุทั้งด้านยาวและด้านกว้างสูงสุดเพียงนั้นทำให้ละเอียดได้ด้วยประเภทการนับว่าแสนโกดเมื่อตั้งเครื่องหมายไว้ก็พึงถึงความสิ้นไปแต่ใครๆก็ไม่อาจประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยก็คือ ผู้เขาซิเนโรเนี่ยนะเป็นเขาที่เรียกว่ายาวกว้างลึกสูงเป็นต้นเนี่ยแปดหมื 84, ่นสี่พันยุดแปดหมื่นสี่พันยุดก็หลายล้า น, ลานกิโลเมตรแต่ใครๆก็ไม่อาจประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยผู้ใดพึงเอาไายตาไขา่เล็กๆล้อมน้ําไว้สัตว์น้ําบางเหล่าพึงเข้าไปภายในไายนั้นข่าแต่พระมหาวีระเดียรถีผู้มีกิเลสนาะบางพวกก็เช่นนั้น เล่นไปถือเอาที่ิผิดหลงอยู่ด้วยการรูปคลำเบลธีเหล่านั้นเข้าไปภายในข่ายด้วยพระยานอันบริสุทธิ์อันแสดงว่าไม่มีอะไรห้ามได้ของพระองค์ไม่ล่วงพ้นพระยานของพระองค์ไปได้คือทุกอย่างทุกความคิดในมวลสรรพสั์โลกสารพัดลัดทธิทุกชนิดในโลกพระองค์รู้หมดเลยรู้หมดว่าเขาคิดอย่างนี้เป็นยังไงใช่ไ โดยสรุปว่าที่รู้กันก็คือพระองค์นี้ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอสสาธาอาทีนวะนิสรณะของสารพัทิฐิทิฐิทุกชนิดเนี่ยพระองค์รู้เลยว่าเหตุเกิดของทิฐิคืออะไรเหตุเกิดของทิฐิเรียกว่าทิฐิฐานะมีแปดประการความดับของทิฐิก็ดับด้วยโสดาปฏิมักอสสาทาของทิฐิก็ลาบสการะเป็นต้นโทษของทิฐินรกกระเดราฉานเป็นต้นนั่นเอง แล้วก็นิสระัตทิฐิก็คือนิพพานที่เป็นอารมณ์ของโสดาปติมักนั่นแหละเป็นที่ทายทอนนิสระของทิฐิโดยประตานตั้งปวงก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีผู้มียศใหญ่ทรงชำนะกิเลสเสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงตรวจดูทิศอัครสาวกนามว่านิสภะของพระมุนีพระนามว่าอนมัตสีทราบความดาริของพระพุทธเจ้าแล้ว อันพระขีนาศพหนึ่งแสนผู้มีจิตสงบประงับมั่นคงบริสุทธิ์สะอาดได้อภิญญาหกคงที่เวทล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกของโลกท่านเหล่านั้นอยู่บนอากาศได้กระทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลงมาประนมอัญเชลีเหาะประทักษิณเลยนะนมัสการอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนมัตสี เชษทบุรุษคือบุรุษผู้เจริญที่สุดของโลกเป็นนระผู้อาถรรพ์ทรงชำนะกิเลศประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงแยม้มภิกษุนามว่าวรุณอุปถาของพระผู้มีพระภาคาศาสดาพระนามว่าอนุมัติีห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นายกของโลกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคอะไรเป็นเหตุให้พระาศาสดาทรงยม้มหนอ พระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงยิ้มแย้มเพราะไม่มีเหตุเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มเนี่ยรู้เลยว่าต้องมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีผู้เชิดทบุรุษของโลกเป็นระองค์อาจประทับนั่งในถ้ำกลางพิสูแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้และชมเชยยานของเราเร า, เราจะประกาศผู้นั้น กิจเหล่านี้เราก็ได้ทําไปแล้วใช่วันนี้ก็ได้ทําดอกไม้กบูชาชมเชยพระคุณต่างๆเราก็ชมเชยกันนะที่ไหนบ้างที่กูตาค า, ารศาลาบ้างบนรถบ้างเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทําวันเดียวก็ทํามานอนกันแล้วรองก็จะประกาศอา น, นิสงส์ว่าเราเนี่พอจะได้อา น, นิสงส์เหล่านี้เหมือนภาษาฤาษีบุตรหรือเปล่าไม่ทราบแต่ภาษาฤาษีบุตรนี่นะที่ท่านได้อา น, นิสงส์ไม่ต้องห่วงว่าท่านเนี่ยอยู่บนพื้นฐานมียพินยาห้าสมาบัตแปด สติปัญญาท่านจะขนาดไหนที่ชมออกมาเนี่ยนะแตะฉะนันบุญตัวนั้นเนี่ยจึงเป็นบุญที่มีกำลังมากท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเทวดาทั้งปวงพร้อมทั้งมนุษย์ทราบพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะฟังพระสัจธรรมจึงพากันมาเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าหมู่ทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากในหมื่นโลกธาตุประสงค์จะฟังพระสัจธรรมจึงพากันมาเฝ้าพระสัมพุทธเจ้า แล้วพงศ์ก็พยากรณ์ว่าจัตุรงค์ข้านาคือพลช้างพลมาพลรถพลเดินทัาจักแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าดนตรีหกหมื่นกลองที่ประดับสวยงามจักบำรุงผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหญิงล้วนแต่สาวๆหกหมื่นประดับประดาวสวยงามมีผ้าและเครื่องอาภรณ์อันวิจิต สวมแก้วมณีและกุลทนมีหน้าแฉแลมยิ้มแย้มตะพภกผายไหลพึ่งเอวกลมจักห้อมล้อมผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผู้นี้จักรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกับ